เรื่องให้ลงจากหลังคาสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมุงหลังคาวิหารเสร็จแล้วจะลงอีกรูปหนึ่งบอกท่านว่านิมนท์ท่านลงมาทางนี้ภิกษุนั้นจึงลงทางนั้นได้พลัดตกลงมาถึงแก่มรณภาพภิกษุรูปที่บอกเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือนอ จึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จกฆ่าไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่28สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมุงลังคาวิหารเสร็จแล้วจะลงอีกรูปหนึ่ง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 ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จกฆ่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่29สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมุ่งหลังคาวิหารเสร็จแล้วจะลงอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์จกฆ่าบอกเธอว่านิมนต์ท่านลงมาทางนี้ภิกษุรูปนั้นจึงลงทางนั้นแต่พลัดตกลงมาแต่ไม่ถึงแก่มรณภาพ